ทุติยเจโตวิมุติผลลูตูว่าด้วยธรรมมีเจโตวิมุติเป็นผลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายทําห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุติเป็นผลมีเจโตวิมุติเป็นพลานิสงย่อมมีปัญญาวิมุติเป็นผลมีปัญญาวิมุติเป็นพลานิสงธรรมห้าประการอะไรบ้างคือห น, นึ่งอนิจจสัญญา กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. องอณิเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 3. ทุกเเคอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 4. ปหานาสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกตกและบาปรำทั้งหลาย 5. วิราคะสัญญา กำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนิแลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตเป็นผลมีเจโตวิมุตเป็นพราณิสงย่อมมีปัญญาวิมุตเป็นผลมีปัญญาวิมุตเป็นพราณิสงเมื่อใดภิกษุมีเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตเมื่อนั้นภิษุนี้เราเรียกว่า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 ทุติยเจโตวิมุติผลสูตรที่สองจบ 3. ปฐมธมธรรมวิหารีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรมสูตรที่หนึ่งครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าผู้อยู่ด้วยธรรมผู้อยู่ด้วยธรรมภิกษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมด้วยเหตุเท่าไรน้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอภูตธรรมและเวทันละเธอปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปและการหลีกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจภายในเพราะการเรียนธรรมนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการเรียนธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม สอิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอปล่อยให้วันเคินล่วงเลยไปและการหลีกเล้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจภายในเพราะการแสดงธรรมนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการแสดงธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมส ภิกษุในธรรมวินัยนี้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปและการหลีกเล้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจภายในเพราะการสาธยายธรรมนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มาว่าด้วยการสาธยายธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมสี่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาเธอปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปและการหลีกเล้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจภายในเพราะการตรึกตามธรรมนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการตรึกธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมห ภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละเธอไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปไม่ละการหลีกเล้นอยู่ตามประกอบความสงบใจภายในเพราะการเรียนธรรมนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมอย่างนี้แล เราแสดงภิกษุผู้เมาด้วยการเรียนธรรมผู้เมาด้วยการแสดงธรรมผู้เมาด้วยการสาธยายธรรมผู้เมาด้วยการตรึกธรรมผู้อยู่ด้วยธรรมด้วยประการรัช น, นี้แลภิกษุกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์อาศัยความเอ็นดูพึงทำแกสาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุ นั่นโคลนไม้นั่นเรือนว่างเธอจงเพ่งอย่าประมาทอย่าเป็นผู้มีวิปติสารความร้อนใจในภายหลังเลยนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายปฐมธรรมวิหารสูตรที่สจบ สทุติยธรรมวิหารีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรมสูตรที่สองครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าผู้อยู่ด้วยธรรมผู้อยู่ด้วยธรรม ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมด้วยเหตุเท่าไรน้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมและเวทันละเธอย่อมไม่ทราบเนื้อความของธรรมนั้นที่ยิ่งขึ้นไปด้วยปัญญาภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้มากด้วยการเรียนธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมและถึง 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมและเวทันละเธอทราบเนื้อความของธรรมนั้นที่ยิ่งขึ้นไปด้วยปัญญาภิษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมเป็นอย่างนี้แล ภิกษุละถึงนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายทุติยธรรมวิหารีสูตรที่สจบ 5. ้าปฐมโยธาชีวสูตร ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพผ้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกนักรบอาชีพผ้าจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้พอเห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นเท่านั้นก็หยุดนิ่งวันไว้ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้ นี่คือนักรบอาชีพจำพูกที่หนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 2. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แต่พอเห็นยอดธงของข้าศึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งวันไหวไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้คือนักรบอาชีพจำพูกที่สองซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 3. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นยอดทงของค้าศึกก็อดทนได้แต่พอได้ยินเสียงกลกกล้องของค้าศึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งวันไว้ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี่คือนักรบอาชีพจำพวกที่สามซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกส นักบ ja. รบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นย่อทง <rico> ของค่าศึกก็อดทนได้แม้ได้ยินเสียงเกล็กล้องของค่าศึกก็อดทนได้แต่วาดสะดุ้งต่อการประหารของค่าศึกนักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี่คือนักรบอาชีพจำพูกที่สี่ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 5. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นย่อทงของข้าศึกก็อดทนได้แม้ได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้อดทนต่อ ก, การประหารของข้าศึกได้เขาชนะสงครามนั้นแล้วเป็นผู้พิชิตสงครามยึดครองคลายสงครามนั้นไว้ได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี่คือนักรคอาชีพจำพูกที่ห้าซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก ภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพ5้าจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกชั้นใดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยนักครบอาชีพ5้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายก็ชั้นนั้นเหมือนกันบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพ5้าจำพวกไหนบ้างเคืหนึ่งภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พอเห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นเท่านั้นก็หยุดนิ่งวันไว ไม่สามารถสืบต่อพระม ร, รย์ได้เปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสอะไรชื่อว่าฝุ่นฟุ้งขึ้นสำหรับเธอเคอพิกษุนในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าในบ้านหรือนิคมโน้นมีหญิงหรือหญิงสาวรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีชวีวันผุดผ่องยิ่งนักเธอได้ฟังดังนั้นแล้วก็หยุดนิ่งหวั่นไหว ไม่สามารถสืบต่อพระม ร, รดจได้เปิดเผยความท้อแท้ในศิกขาบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครห์หัสนี้ชื่อว่าฝุ่นฟุ้งขึ้นสำหรับเธอเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพที่พอเห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นเท่านั้นก็หยุดนิ่งหวั่นไว้ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้บุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพวกที่หนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แต่พอเห็นยอดธงของข้าศึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งหวั่นไหวไม่สามารถเสบต่อพรหมจันทร์ได้เปิดเผยความท้อแท้ในศึกษาบอกคืนศึกษากลับมาเป็นครหัด อะไรชื่อว่ายอดธงของข่าศึกสำหรับเธอเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ฟังว่าในบ้านหรือนิคมชื่อโน้นมีหญิงหรือหญิงสาวรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีชวีวันผุดผ่องยิ่งนักแต่เธอได้เห็นด้วยตนเองครั้นเห็นแล้วก็หยุดนิ่งหวั่นไหวไม่สามารถสืบต่อพรหมจันทร์ได้เปิดเผยความท้อแท้ในสิก ข, ขา บอคืนศึกขากลับมาเป็นครหัสนี้ชื่อว่ายอดธง่าศึกสำหรับเธอเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพที่เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แต่พอเห็นยอดธงของ่าศึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งวันไว้ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้บุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพูกที่สองซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นยอดทงของข่าศึกก็อดทนได้แต่พอได้ยินเสียงกึกกล้องของข่าศึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งวันไหวไม่สามารถสืบต่อพรหมจันทร์ได้เปิดเผยความท้อแท้ในศึกษา บอกคืนศึกขากลับมาเป็นครหัดอะไรชื่อว่าเสียงกึกกล้องของข้าศึกสําหรับเธอคือมาตุกขามเข้าไปหาพิกสุในธรรมวิ น, นัยนี้ผู้ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างแล้วยิ้มแย้มปราศัยกระซิบ ก, กระซียั่วยวนเธอถูกมาตุกขามยิ้มแย้มปราศัยกระสิบ ก, กระซียั่วยวนอยู่ก็หยุดนิ่งวันไว ไม่สามารถสืบต่อพรหมจรรย์ไ ด, ด้เปิดเผยความท้อแท้ในศิกขาบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัดนี้ชื่อว่าเสียงกึกก้องของขฆาศึกสำหรับเธอเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพที่แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นยอดทงของฆาศึกก็อดทนได้แต่พอได้ยินเสียงกึกกล้องของฆาสึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งวันไหว ไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้บุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพูกที่สซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้แม้ได้ยินเสียงกรกกงของข้าศึกก็อดทนได้ แต่วาดสะดุ้งต่อการประหารของข้าศึกอะไรชื่อว่าการประหารสําหรับข้าศึกของเธอคือมาตุคามเข้าไปหาภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ผู้ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างแล้วนั่งทับนอนทับขมขืนเธอถูกมาตุคามนั่งทับนอนทับขมขืนอยู่ไม่บอกคืนสีกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เศพเมตุนธรรม นี้ชื่อว่าการประหารของข้าศึกสำหรับเธอเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพที่แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นย่อทงของข้าศึกก็อดทนได้แม้ได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้แต่วาสดุ้งต่อการประหารของข้าศึกบุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพวกที่สซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นยอดทงของข้าศึกก็อดทนได้แม้ได้ยินเสียงกืกกล้องของข้าศึกก็อดทนได้อดทนต่อการประหารของข้าศึกได้ชนะสงครามแล้วเป็นผู้พิชิตสงครามยึดค่ายสงครามนั้นไว้ได้ อะไรชื่อว่าชัยชนะในสงครามสําหรับเธอคือมาตุคามเข้าไปหาภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ผู้ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างแล้วนั่งทับนอนทับข่มขืนเธอถูกมาตุคามนั่งทับนอนทับ ข, ข่มขืนอยู่ไม่พัวพันแต่ปลดเปลื้องหลีกออกได้แล้วหลีกไปตามความประสงค์เธอพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัด คือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางเธอไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างนั่งคูบรหลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าและอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชา และความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตต์อยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและถีนมิทะความหดหู่และความเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะกําหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุทะจะกุกุตจะความฟุ้งซ่านและรําคาญใจ เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจฉากุคุจฉและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาเธอละนิวรณหาประการ น, นี้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกําลังปัญญาแล้วสงดจากกามและถึง บรรลุจตุทชานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันวายอย่างนี้เธอน้อมจิตไปเพื่ออาสวยยาัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมทุทัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อถือรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยูโจบพรมาจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้ชื่อว่า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 บุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพวกที่ห้าซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพผ้าจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายพระธมมโยธาชีวสูตรที่ห้าจบ ติยโยธาชีวสูตรว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพผ้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกนักรบอาชีพผ้าจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาขมักขม่นพยายามรบในสมรภูมินั้น พวกฆ่าสึกฆ่าเขาตายทำลายเขาได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี่คือนักรบอาชีพจำพวกที่หนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 2. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ถือดาบและโล่ผูกสอธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาคมักขม่นพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกฆ่าศึกทำร้ายเขาให้บาดเจ็บ พวกของเขานำเขาออกมาส่งให้ถึงหมู่ญาติเขากำลังถูกนาไปอยู่ยังไม่ทันถึงหมู่ญาติก็เสียชีวิตในระหว่างทางนักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี่คือนักรบอาชีพจำพูกที่สองซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 3. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ถือดาบและโล่ผูกสอธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิ เข า, าคอมมิชชนพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกค่าศึกทำร้ายเขาให้บาดเจ็บพวกของเขานำเขาออกมาส่งให้ถึงหมู่ญาติหมู่ญาติย่อมพยาบาลรักษาเขาอันหมู่ญาติพยาบาลรักษาอยู่แต่เสียชีวิตด้วยอาการบาดเจ็บนั้นนั่นเองนักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้เป็นนักโรบอาชีพจําพวกที่สามซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ถือดาบและโล่ผูกส่อธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาขมักเม่นพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกฆ่าศึกทำร้ายเขาให้บาดเจ็บพวกของเขานําเขาออกมาส่งให้ถึงหมู่ญาติหมู่ญาติพยาบาลรักษาเขาอันหมู่ญาติพยาบาลรักษาอยู่ก็หายจากอาการบาดเจ็บนั้น นักลบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้เป็นนักรบอาชีพจำพวกที่สี่ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกหนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล่งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาชนะสงครามนั้นแล้วเป็นผู้พิชิต ส, สงครามยึดค่ายสงครามนั้นไว้ได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้ นี้เป็นนักรบอาชีพจำพวกที่ห้าซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพ5้าจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกฉันใดบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพ5้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพ5้าจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งิสุในธรรมวินัยนี้ เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่เวลาเช้าเธอครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบินทบาทไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตมีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอได้เห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในหมู่บ้านหรือในนิคมนั้นเพราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยนั้น ราคะความกำหนัดจึงรบวนจิตของเธอเธอถูกราคะรบวนจิตแล้วไม่บอกคืนศึกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เสพเมถุนธรรมเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพนั้นถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาขมักขม่นพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกฆ่าศึกฆ่าเขาตายทำลายเขาได้ บุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีปรากฏอยู่ในธรรมวินัยนี้นี่คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักบรบอาชีพจำพวกที่หนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่เวลาเช้าเธอครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต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 เราควรจะไปอารามบอกพวกพิกษุว่าผู้มีอายุผมถูกราคะกลุมรุ ม, มถูกราคะครอบงำแล้วไม่สามารถสืบต่อพรหมจันทร์ได้จะเปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสเธอกำลังเดินไปยังอารามยังไม่ทันถึงอารามก็เปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัตในระหว่างทาง เรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพนั้นถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล่งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาขมคมัคเมน่นพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกฆ่าศึกทำร้ายเขาให้บาดเจ็บพวกของเขานำเขาออกมาส่งให้ถึงหมู่ญาติเขากำลังถูกนำไปอยู่ยังไม่ทันถึงหมู่ญาติก็เสียชีวิตในระหว่างทาง บุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีปรากฏอยู่ในธรรมวินัยนี้นี่คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพูกที่สองซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่เวลาเช้าเธอครองอันตรวาสก์ถือบาทและจีวรนเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบินธบาต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 ทางที่ดีเราควรจะไปยังอารามบอกพวกภิกษุว่าผู้มีอายุผมถูกราคากลุ่มๆถูกราคะครอบงามแล้วไม่สามารถสืบต่อพรหมจันทร์ได้จะเปิดเผยความท้อแท้ในศิกขาบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัสเธอจึงไปยังอารามแล้วบอกพวกภิกษุว่าผู้มีอายุผมถูกราคากลุ่มๆถูกราคาครอบงามแล้ว ไม่สามารถสืบต่อพรหมจาร์ได้จะเปิดเผยความท้อแท้ในศิกขาบอกคืนศิกขากลับมาเป็นคราห์หัดเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจึงกล่าวสอนพร่ำสอนถือว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากรรมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มาก มีความคับแค ah um ้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การมทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อมีทุกมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การมทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงยามีทุกมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การมทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมทานเพลิงมีทุกมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้ขาต้นมีทุก MX ข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การทั้งหลายเปรียบเหมือนเคียงหั่นเนื้อมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก มีโทษยิ่งใหญ่กรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลามีทุกขมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีความยินดีน้อยมีทุกขมากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ขอผู้มีอายุจงยินดีในพรหมจรรย์อย่าเปิดเผยความท้อแท้ในสิก ข, ขาบอกคืนสิก ข, ขากลับมาเป็นค้รหัสเลย เธออันเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความครับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ก็จริงถึงกระนั้นผมไม่สามารถสืบต่อพรหมจรรย์ได้จะเปิดเผยความท้อแท้ในสิก ข, ขาบอกคืนสิก ข, ขากลับมาเป็นคราะห์ เธอจึงเปิดเผยความท้อแท้ในึกขาบอกคืนสกขากลับมาเป็นครหัสเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพนั้นถือดาบและโล่ผูกสอธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาคมักคำม่นพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกค่าศึกทำร้ายเขาให้บาดเจ็บพวกของเขานำเขามาส่งให้ถึงหมู่ญาต หมูญาติย่อมพยาบาลรักษาเขาเขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยู่ก็เสียชีวิตด้วยอาการบาดเจ็บนั้นนั่นเองบุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพวกที่สซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 4. ภิกษุในธรรมวินยัรรนยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่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 เธอถูกราคะรบกวนจิตแล้วจึงมีกายเร่าร้อนมีใจเร่าร้อนมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรจะไปยังอารามบอกผู้ภิกษุว่าผู้มีอายุผมถูกราคะกลุ่มรุมแล้วถูกราคะครอบงำแล้วไม่สามารถสืบต่อพรหมจันทร์ได้จะเปิดเผยความท้อแท้ในศิกขาบอกคืนศิกขากลับมาเป็นเคราะห์ เธอจึงไปยังอารามแล้วบอกผู้ภิกษุว่าผู้มีอายุผมถูกราคะกลุ่มรุ่มถูกราคะครอบงำแล้วไม่สามารถสืบต่อพรหมจันทร์ได้จะเปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจึงกล่าวสอนพร่ำสอนเธอว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่า ก, ม า, กมา ม, ม, ากม ท, ทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อและถึงการทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญ้าการทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงการทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝัน กามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมากามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาต้นกรามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อกามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกลากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ขอผู้มีอายุจงยินดีในพรหมจรรย์เถิดอย่าเปิดเผยความท้อแท้ในศิก ข, ขา บอกคืนสิกขากลับมาเป็นขรรหัดเลยเธออันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมจากขมะคขเมนเพียรพยายามอย่างดียิ่งจะไม่เปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาไม่บอกคืนสิกขากลับมาเป็นขรรหัดอีกเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักลบอาชีพนั้นถือดาบและโล ผูกสอธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาคมคกเม่นพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกค่าศึกทำร้ายเขาให้บาดเจ็บพวกของเขานาเขามาส่งให้ถึงหมู่ญาติหมู่ญาติพยาบาลรักษาเขาเขาอันหมู่ญาติพยาบาลรักษาอยู่ก็หายจากอาการบาดเจ็บนั้นบุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพูกที่สซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่เวลาเช้าเธอครองอันตรวาสกถือบาทและจีวอนเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบินทบาตรักษากายรักษาวาจารักษาจิตมีสติตั้งมั่นสารวมอินทรีย์ เธอเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากรุรธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงำได้จึงรักษาจากักขุนสีถึงความสำรวมในจกักขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธะะทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้ว ไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุสมรธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงาได้จึงรักษามนินทรีสีถึงความสำรวมในมนินทรสีเธอกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วพักอยู่ณเซนาสะนะเงียบสงดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขา ถ้ำป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางเธอไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างนั่งคู้บรรลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละอภิชาในโลกได้แล้วละถึงละนิวรณห้าประการนี้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้ามองใจทอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกรามละถึง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 นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจาพูกที่หซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพห้าจพวกนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายทุติยโยธาชีวสูที่6จบ